ตอนบญญรรยายทาเนื่องในวันเข้าพรรษาวันที่20กรกฎาคม2559กล่าวนำ้ำมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆนะพอกูใช้เวลานิดนึงก่อนที่จะถ่ายถ่ายรูปนะเป็นประเพณีที่นี่ทุกปีนะก็ โดยเข้าๆถึงวันนี้เราจะมีพระคุณเจ้าพระภิกษุสงฆ์มาจำบรรษาที่นี่ประมาณ20รูปสัมเนน15บรูปคุณเมชีประมาณ59นะถ้าไม่ผิดหรือ60นะก็ทั้งหมดประมาณ94ก็เมื่อกี้พระอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวเรื่องวันสำคัญวันอาสาละหบูชา นะก็เนื้อหาแก่นแท้ก็คือเราเรียกว่าวันพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่ชั้นเตรียมเข้าพรรษาพรุ่งนี้ภาวนาตัวเข้าพรรษาแล้วคืนนี้เราจะมีการเวียนเทียนกันที่ฐานพระใหญนะ่หลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วนะก็ที่สำคัญที่สุดคือวันนี้วันวาอาสาละหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดง ปฐมเทศนานะก็คือท ร, รมาจากกัปปวัตนสูตรนะโดยเน้นเรื่องอริยสัจส์4อริยสัจอริยะคือยิ่งใหญ่สัจคือสัจธรรมความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการก็คือทุกสมุทัยนิโรธมักนะทุกสมุทัยนิโรธนะสามส่วนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์บอกให้รู้นะ อ, อ อะไรคือตัวทุกนะทุกเนี่ยเราต้องให้รู้ให้เห็นให้ยอมรับว่าเรามีทุก์เป็นประธานส่วนสมุทัยนั้นคือเหตุแห่งทุกที่มาของทุกก็คือสมุทัยคือตัวตันหานะอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์บอกให้รู้แล้วก็นิโรดนะ่ะต้องทำให้เข้าถึงนะนิโรดก็คือนิพานนะสามข้อนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ตัดให้รู้ นะส่วนข้อสุดท้ายนั้นคือมัช อ, อันนี้ต้องเป็นหนทางมุ่งสู่การพน้นทุกข์อันนี้สําคัญที่สุดนะสิ่งที่เราต้องไม่ใช่รู้เฉยเฉรู้แล้วต้องนํามาปฏิบัตินะส่วนในมัชนั้นนะพระองค์ก็แยกว่ามัชมีองค์8นะพระครูบอกอย่าพูดมัชง่ายบอกมัชแปดมัชแปนะถ้าพูดมัชแปเราจะเข้าใจผิดว่ามี8ทาง มักมีองค์แปดมีทางทางเดียวเท่านั้นแต่มีส่วนประกอบข้อกำกับแปดองค์นะก็ข้อแรกคือเห็นชอบดำริชอบนะซึ่งเป็นส่วนของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นเรื่องของศีลความเพียรชอบสมาธิชอบเออสติชอบสมาธิชอบเป็นหมวดของสมาธินะก็ย่อคือขยายผลมาจาก ใจสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแต่พอเราพูดใจสิกขาปุ๊บเราเอาศีลไปขึ้นต้นเห็นไหมศีลแล้วก็สมาธิปัญญาทีนี้บางทีเราแสดงใจสิกขาว่าเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะไม่งั้นสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเนี่ยพอพอแสดงใจสิกขาพอมาแสดงมรติองแดก็บอกว่าเธอต้องมีสมาธิฏิเป็นเบื้องต้นนะเด็กๆต้องมีปัญญานะต้องมีปัญญาเป็นเบื้องต้น คือเราเราแปลไปตามตัวหนังสือซึ่งไตรสิกขาเนี่ยสินสมณิญญากัมักบีอง8อันเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาขยายผลนะส่วนไตรสิกขาเนี่เหมือนเหมือนบอกให้เรารู้เป็นทฤษฎีสินในไตรสิกขานี่เหมือนสินวินัยเออเรามาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมบอกตกลงกันว่าเราจะถือสินห้าสินแปดสินสหรือสินปฏิโมกอะไรก็แล้วแต่นะส่วนการเริ่มต้น มร์เนี่ยเป็นตัวปฏิบัติการปฏิบัติเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มจากเธอต้องมีสมาธิเธอต้องมีปัญญานะถ้ามีปัญญาไม่ต้องปฏิบัติก็มีปัญญาแล้วเนี่ยมันไม่งโง่ที่จะทุกปัญญาคือเป้าหมายสูงสุดไอ้ตัวเริ่มต้นปฏิบัติคือตัวสมาธิชอบตัวสุดท้ายแต่เป็นตัวเริ่มต้นเป็นธรรมะที่สาคัญที่สุดบางทีไปไปบรรยายเรื่องมร์เบียวงแดว่าเธอต้องมีสมาธิตินะ เ, ออเธอต้องมีปัญญาแล้วเธอก็มีศีลแล้วสุดท้ายเธอจะมีสมาธิกายวิภาปฏิบัติทำเพื่อให้มีสมาธิเท่านั้นเองนะอันนี้พ่อครูค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยที่พ่อครูพูดไปเนี่ยเอาเป็นรทตรฐานไม่ได้นะเอ า, ม, ามันออกมาจากข้างในจากเราผ่านด้วยตัวเราเองนะชีวิตพ่อครู40ปีวิ่งไปตามโลกไม่มีศีลฮะเขาบอกไม่ไม่ไม่ให้ทําอะไรทําหมดพ่อครูไม่มีศีลเลยนะจุดเปลี่ยนชีวิตพ่อครูเนี่ย นะที่บอกว่าสามชั่วโมงบรรลุธรรมเนี่ยพราครูเริ่มจากสมาธิไม่เคยนั่งเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะทีนี้เมืพอมันเกิดอาการที่บอกว่าระเบิดระเบิดแล้วเนี่ยพรอครูก็เข้าใจนะสิ่งที่พระเจ้าตัดออกมานะเมื่อเรามีมมสมาธิตั้งมั่นสงบนิ่งแล้วเนี่ยนะสติมันก็ตื่นรู้ความเพียรมันก็ตามมาเองมันเป็นสัญชาตญาณของจิต นะเมื่อเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็มีความมุ่งมั่นมีความเพียรเมื่อจิตใจสงบนิ่งเป็นปกติแล้วอารมณ์ศีลมันก็แสดงตัวศีนคือความปกติของจิตเวลานั้นจิตมันไม่แสบใส่มันไม่เนื่องด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานถ้าเรามีกิเลสอยู่มันก็เพิ่มนะศีนไม่เกิดนะเมื่อเมื่อมันสงบนิ่งเป็นปกติอารมณ์ศีนก็เกิดขึ้นพร้อมที่จะเจริญปัญญาเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วเนี่ยอารมณ์ กรรมฐานต่างๆมันเกิดขึ้นเราก็เห็นมันชัดนะมันก็เจริญปัญญาเป้าหมายสูงสุดคือเกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยจิตเขาจะไม่โง่ที่จะไปผิดศีลจิตเขาไม่โง่ที่จะไปสร้างกรรมชั่วปัญญาคือตัวเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ตัวเริ่มต้นส่วนในทางทฤษฎีว่าเออเธอต้องรู้ก่อนนะเออเธอต้องมีสมาทิติ เธอต้องรู้ว่าอะไรเป็นอันนี้คือแค่องค์ความรู้แล้ ว, ลวหลายๆท่านก็รู้จนจบป ร, ริญญาเก้าจบเป็นด็อกเตอร์ทางาศาสนาแล้วรู้หมดเลยแต่ก็ยังเถียงกันอยู่นิพานเป็นอัตตานัตตานะถ้าปัญญาในมรรคเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเถียงกันนะและเขาไม่โง่ที่จะผิดศีลเขาไม่โง่ที่จะทําความชั่วนะจิตมีปัญญาแนละ้วปัญญาจบพวกครูก็ผ่านแบบนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วเกิดปัญญามันระเบิดแล้วเนี่ย 27ปีมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องถือศินอีก40ปีก็ไม่มีศินยี่สิปีก็ไม่ต้องถือศินแต่ไม่ทําชั่วแน่นอนศินมีอยู่แล้วนะส่วนศินห้าลินแปดสินสสินปฏิโมกเนี่ยเป็นสินวินัยถ้าเรายังไม่เข้าถึงศินซึ่งเป็นปกติศินธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาศัยศินวินัยเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเตือนสติเหมือนบ้านเมืองมีกฎหมายกฎหมายเหตุ นะเร า, ม, ามีข้อตกลงว่าเราจะอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างนี้นะเพื่อหลีกเลี่ยงในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะศีนวินัยก็เป็นแบบนั้นส่วนถ้าเราเข้าถึงศีนคือความเป็นปกติซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของเขาแล้วเนี่ยทำไมมีศีนเพราะเขากําจัดความสกรปรกออกแล้วความทยานอยากนะเมื่อมันไม่มีเกลียดตัณหาอุปทานแล้วเนี่ยศีนมันก็มีอยู่แล้วมันก็แสดงตัว นะ nah, เราไม่ทําชั่วเพราะไม่ใช่เรากลัวผิดศีลไม่ใช่เราไม่ทําชั่วเพราะมันไม่มีความอยากมันไม่มีความอยากมันก็ไม่มีเหตุต้องไปทําชั่วไม่มีเหตุต้องไปผิดศีลทุกวันนี้ที่เราผิดศีลเพราะเรามีความอยากเราโกหกเขารรเพราะเราอยากได้เห็นไหมเออเราผิดศีลในกางเพราะเราอยากสนองอารมณ์ตัวเองเราไปขโมยของเขาเพราะเราอยากแต่เมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเนี่ยนั่นแหละ มันกลับคืนสู่ศีลซึ่งเป็นความปกติเขาก็ไม่มีเหตุผลต้องไปผิดศีลไม่ต้องใช้ไม่ใช่เหตุผลแบบทางโลกทางตรกาณนะไม่ต้องผ่านเหตุผลแบบนั้นมันแก้ที่ต้นเหตุเลยคือมันไม่มีคนอยากแล้วไงแล้วมันจะมีใครไปผิดศีลเหรอนะที่เราผิดศีลเพราะเรามีความอยากอันนี้เนี่ยพระรูเจ้าึงบอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตนะ เมื่อเราเห็นทำแล้วเราจะเข้าใจพุทธเจ้าเราจะอ๋อๆแล้วเราจะเข้าใจพอมาอ่านปริยัติแล้วเราจะเข้าใจอัฏฐะในพยัญชนะนั้นชัดเจนแต่ตอนนี้บางครั้งเอาศินเป็นที่ตั้งหน้าดํำข้ามเครียดแล้วก็ไปหลงว่าตัวเองมีศินนะมีศินเยอะเลยกลายเป็นอัตตาแล้วไปว่าคนอื่นเขาผิดศินนะคนไปว่าเขาผิดศินเนี่เป็นคนไม่มีศินอย่างยิ่งใ น, นนี้ก็าเรียกว่าติดดี นะศีลคือความปกติของจิตทุกดวงจิตมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมทาซานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมทาซานคือชาวป่านั้นเขามีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเอาเล่ายี่ห้อแพงที่สุดให้โลกที่ให้เขากินไม่กินอะไรก็ไม่ถูกเหม็นนะเอาบรีให้สุกก็ไม่สูกยาเสพติดให้กินไม่รู้อะไรมันไม่มีความจําเป็นทาซานจะโกหกไหมไ ม, ไม่มันพูดภาษาก็ไม่เป็น มันไม่อยากได้มันจะไปโกหกทำไมเห็นไมศินมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมันเหมือนหายไปเพราะมันถูกอวิชชาคือความรู้ผิดไอ้ความรู้ผิดแล้วนี่มันแฝงด้วยความโลภความโกรธความหลงนะสร้างความตันหาขึ้นมาความอยากเนี่ยไอ้ตัวนี้ทำให้เราไปผิดสินแต่ยังไงก็ช่างเราก็มีกเกลียดแล้วไงไอ้สินที่เรามีอยู่แล้วมันก็ถูกกลบเกิน มันมีมา่านบางตานะจิตมันเปื้อนแล้วผู้เจ้าก็ไปตัดสูุ้สิ่งนี้จึงบอกให้เราเนี่ยทำสามเรื่องนะนะทำดีละชั่วแล้วก็ขัดเก่าจิตให้ผ่องใสการทำดีก็ง่ายๆนะลูกเป็นคนดีนะลูกเป็นคนดีนะไม่เคยพาลูกเป็นคนดีเลยไปทำความดีเลยแค่ไม่ทำชั่วเฉยๆเข้าใจว่าลูกเป็นคนดีแล้วนะ อย่าทำช่วยใพ่อแม่เดือดร้อนน่นเป็นคนดีแล้วเราไม่เข้าใจคําว่าดีคืออะไรนะผู้เจ้าก็บอกทําดีละชั่วขัดเกาจิตนี้ปองใสไม่ใช่บอกเฉยๆนะทําดีแบบไหนก็ไม่ได้บอกบอกกันแล้วการทําดีคือการให้ทานวัตถุทานธรรมทานอภัยาทานเราต้องพาเด็กๆ เ, เ, เนี่ยทำดีบ่อยๆนะเด็กๆไม่ค่อยมีเงื่อนไขนะอย่างไม่ชีน้น้อยๆเนี่ยไมชี้ปฐมเนี่ยเงื่อนไขยังไม่ค่อยเยอะนะ เออห่างจากทาสานหน่อยหนึ่งพอมารู้กอไก่ขอไข่รู้ว่าเราชื่ออะไรแล้วรู้ว่าอันไหนสนุกไม่สนุกแล้วอันนี้เริ่มเปื้อนหน่อยหนึ่งแต่พอขึ้นมัธยมปุ๊บเปื้อนเยอะแล้วอัตตาเยอะแล้วของมึงของกูแล้วเออนะเริ่ ม, เ ร, มเริ่มขัดแย้งกันมากขึ้นนะ น, นี่มัธยมนะพอขึ้นบุรมศึกษาเนี่ยโอโ้ยิ่งยิ่งรู้มากขึ้นละอัตตาเยอะขึ้นน ะ, นะตัวตนก็เยอะขึ้นเห็นไหม กายเป็นว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งเรียนก็ไม่รู้ยิ่งเรียนก็ยิ่งห่างศีลเห็นไหมเพราะว่าเราเอาขยะนันความรู้นี่ไปไปบล็อกมันไว้นะแล้วไปหลงความรู้รู้ผิดเป็นเอาเป็นวิชาต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้มามาเกาะตัวกันกลายเป็นอัตตาเนะขณะสัญญากั้นบังอนัตตา คณะสัญญาหนึ่งสัญญาสองสัญญาสาสัญญาศี่หลายหลายสัญญาเกาะเข้เป็นกลุ่มเป็นก้อนกลายเป็นคณะขึ้นมากลายเป็นอัตตาไอตัวนี้แหละทำให้เราเข้าไม่ถึงอนัตตาเริ่มจากเขาตั้งชื่อให้เราเห็นไหมเราถูกตั้งชื่อว่าบัญชาละหนึ่งสัญญาละเด็กเกิดมาใหม่ๆเหมือนผ้าขาวเหมือนชุดไม่ฉีนั่นแหล ะ, ละแต่ผ้าใครมี ตาที่ละเอียดหน่อยหนึ่งจะเห็นเลยให้มันไม่ขาวจริงๆมันมีจุดด่างจุดหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในจุดด่างตรงนี้คือกรรมนะพอเด็กเกิดมาให ม, ม, ม่ๆปุ๊บเราเรียกว่าจิตเดิมแต่จิตเดิมนี้มันยังมีจุดด่างจุดหนึ่งมันยังมีกรรมอยู่ทีนี้ก็ให้ชื่อเข้าไปแต้มอีกแต้มหนึ่งบัญชานะนี่พ่อหนะ้านี่แม่นะนี่ดีนะนี่รวยนะนี่ชนะเก่งนะนี่อะไรอะไรนี่วิชานี้เต็มไม่หมดเลย หลายๆสัญญากลเป็นคณะขัน ญ, ญาเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมากลายเป็นอัตตาไอตัวนี้นทําให้เราเหินห่างอนัตตาไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แหละคือคณะสัญญากั้นบังอนัตตานะอริยบทกั้นบังทุกขงังอริยบทกั้นบังทุกขงังตอนเตอขึ้นแล้วรู้ว่าให้ไปเที่ยวสนุกนะเคยไปไปมาแล้ว พอนั่งอยู่บ้านเฉยๆเอ้ยเบื่อเบ่อวะนะเปลี่ยนระยะบทใหม่ไปเที่ยวดีกว่าเห็นไหมเปลี่ยนใหม่ไปเที่ยวดีกว่าไอ้ไอ้ความความเบื่อนะที่จะทําให้เราทุกข์นี่เราหนีมันเลยเราก็เลยไม่เห็นทุกข์ชีวิตเราหนีทุกข์ตลอดพอไปเที่ยวเสร็จเดินกลับบ้านมันเหนื่อยนะนั่งรถยนต์นั่งรถยนต์นนช้าไปอีกนั่งเครื่องบินตอนนี้เราหนีทุกข์ตลอดเวลาล่ะ นะเราจึงไม่เห็นความจริงว่ามนุษย์เรามีทุกข์เป็นประธานนะีอันนี้อริยบทกั้นบังทุกขังชีวิตเราเนี่ยหาความสะดวกสบายหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเนี่ยเพื่อ ก, กบเกินความเบื่อเราเราจึงไม่เห็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เราก็หลงระเริงในความสุขจอมปลอมนั้นนะสัญจติกั้นบังอ น, นิจจังสัญจติคืออะไร สันติถือตัวสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตเราเลือลึกชาติได้ก็เพราะตัวสันติเราเห็นอนาคตได้ก็ตัวสันตินะในตัวเราก็มีตัวสันติมันเป็นพลังงานของจิตที่มันเต้นตึ๊บตึ๊บบึบึบบางทีเต้นที่คิ้วซ้ายคิ้วขวานะเอาเครื่องเอ็กซาเลก็หามันไม่เจอมันคืออะไรมันคือตัวสันติทําให้หัวใจเต้นนั่นแหละ มันคือพลังงานของจิตอย่างหนึ่งนะสันสติกั้นบงังทำให้เราไม่เห็นอันนิจจงเหมือนเราดูภาพยนต์เนี่ยผู้รายเอาปืนยิงพระเอกเปี้ยงเราเห็นเป็นภาพเดียวผู้รายยิงพระเอกจริงๆแล้วเนี่ยผู้ล้ายยิงพระเอกเนี่ยมันหลายภาพซ่อนกันอยู่เร็วมากมันถึงจะกลายเป็นภาพเดียวถ้าสติเราไม่ทันเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวสัสติ นะไอ้ตัวสัญจตินี่กั้นบังทำให้เราไม่เห็นอ น, นิจจังสัญจติเราดับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแต่เรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันได้นะเรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันเราต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจักนี่คือธรรมจักกับปวันสูตรละ่ะนะเร่งสติมึนกล็ลองจักที่นี้พว ก, กูก็ใช้เวลานิดหนึ่งจะชี้แจงเนื่องจาก กระไลมิรใหม่ๆก็มานะก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ช่วงเช้าเรามีห้าอารมณ์นะพาะครูเรียกชื่อว่าเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะเพราะว่ามนุษย์ประกอบด้วยสามอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นคือกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะ แล้วก็บวกกับวิญญาณธาตุความมีชีวิตจึงเกิดขึ้นนะแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารนั่นเป็นตัวอารมณ์เป็นตัวเจตสิกนะแล้วก็วิญญาณนั้นน่ะเป็นเรื่องของจิตส่วนจิตก็จิตวิญญาณก็วิญญาณนะนะเออจิตก็จิตวิญญาณก็วิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานของจิตเป็นเครื่องมือของจิตที่จิตจะเอาไปรับรู้ภาษาต่างๆ นะทีนี้เราประกอบด้วยสมอย่างคือจิตอารมณ์คือกายจิตอารมณ์นะทีนี้เราก็มาเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะไม่มีหลุดจาก3มอย่างนี้นะเรามาเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์เหมือนเราเป็นทหารตื่นเช้ามาปี๊ตีห้าลุกขึ้นมาป๊บวิ่งไปแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าแต่งชุดยูนิฟอร์มปึ๊บถือปืนออกไปสนาม เราต้องเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจนะแล้วก็มีเจตนาที่จะทําให้มันเปลี่ยนอารมณ์อยู่เรื่อย <_ d isk> เพื่อให้จิตนี่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือโปรแกรมตอนเช้าเราเตรียมพร้อมร่างกายแล้วก็เตรียมความตายนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งถ้าเราไม่เตรียมปุ๊บเราจะรู้สึกทุกเวลาที่เราจะตายถ้าเราเตรียมปุ๊บเวลาเราตายปุ๊บเราจะยิ้มตายไปเลยตายแบบสุขๆก็มีนะ ตายอย่างมีความสุขเจ็บอย่างมีความสุขก็ได้นะถ้าเราเตรียมพอมันเรื่อยๆส่วนช่วงสายเนะี่ยเก้ามงเนี่ยเรียกว่าอริยบท4นีะ่นะนะยืนเดินนั่งนอนภาษาอังกฤษพ่อครูเรียกว่า search inside yourself เป็นโปรแกรมที่เราดึงให้เรามาอยู่กับตัวเองมายืนอยู่กับตัวเองมาเดินอยู่กับตัวเองมานั่งอยู่กับตัวเองมานอนอยู่กับตัวเองเพราะชีวิตเราลืมตาก็เห็นอย่างอื่นเห็นคนอื่นเป็นเพราะเธอนั่นแหละนะ แม่ชีมัธยมก็มารายงานพ่กคูอยู่ว่าเพื่อนไม่ชอบหนูเห็นไหมเป็นเพราะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนไม่ชอบหนูหนูไม่เคยดูตัวเองเลยว่าทําไมเพื่อนไม่ชอบเนี่ยเรามาดูตัวเอง Search inside your ์ e l ลคือว่าเซ a r c h เข้าไปในตัวเองโดยใช้อริยบททั้ง4เนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ใช่อริยบทสนะอริยบท4ี่นี่เป็นอริยบทหลักอริยบทย่อย เดินเร็วบ้างวิ่งเร็วบ้าง เ, าเต้นบ้างอะไรบ้างเป็นอริยบทหมดอ่ะในชีวิตเราเนี่ยนะขับรถอริยบทขับรถหมุนพวงมาลัยก็อริยบทนะต้องฝึกทุกวันนะฝึกโดยอยู่กับมันจริงๆไม่ใช่ฝึกแบบระดับสัมมาถากรรมมาถาไม่ใช่ฝึกแบบนั้นก็คืออยู่กับมันฝึกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลานี่คืออริยบทส แต่ไม่ใช่ช่วงอริยบทสีมีสองระดับระดับหนึ่งเขาเอาอริยบทสีน่นี่มาฝึกสัมมาทากรรมฐานฝึกสมาธิเจริญสติต้องกําหนดอ้าวยืนอยู่กําหนดลมหายใจก็ได้อ้าลมหายใจเข้าออกพุธอ้าโพ อ, อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้จิตมันสงบเวลาเดินเนี่ขวาหนอซ้ายหนออะไรเนี่ยอันนี้ก็คืออริยบทบับเรียกว่าอาริยบทบับนะแต่ที่เราทําอยู่เนี่ไม่ใช่ช่วงฝึกแบบนั้น ช่วงเดินทางของจิตเรียกว่ามัคคจิตนะเป็นช่วงใช้มันใช้สมาธิสติปัญญาที่มีอยู่มาทาหน้าที่ยืนเฉยๆนะก็ อ, อยู่กับตัวเองหมดยืนเดินนั่งนอนไม่ได้อยู่กับผู้คนอื่นเลยนะเราอยู่คนเป็นร้อยเป็นพันก็ช่างไม่เกี่ยวอยู่กับตัวเองนั่นหละคือเราเซิร์ชเข้าไปในตัวเองนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะ เตรียมเครื่องมือเดินทางเหมือนกันก็คือเตรียมใช้สติสมาธิมาทำหน้าที่ส่วนช่วงบ่ายเราสร้างแรงเหวี่ยงขึ้นนะแรงเหวี่ยงนี่มันเกิดจากแรงดึงดูดของอวัยทะนะยี่สิบเจปีมาเนี่ยเพราะครูเหวี่ยงไม่ได้มันเหวี่ยงแค่สามชั่วโมงในชาตินี้แล้วมันตู้มเดียวตอนนี้เหวี่ยงยังไงก็เหวี่ยงไม่ได้มันไม่เกิดแรงดึง ที่เราเกิดแรงดึงวเราเหวี่ยงเนี่ยเพราะาจิตเราเียงเป็นอยู่ในอาณัตของอายตนะตามองเห็นปุ๊บเฮ้ยยังสวยสวยงามงามนะได้ยินเสียงปุ๊บยังเพาะไม่เพาะนะจมูกดมกลิ่นหอมกับเหม็นเนี่ยมีความรู้สึกต่างกันความรู้สึกของใจมันต่างกันนะลิม้มรสอร่อยไม่อร่อยเรายังอยู่ภายใต้เรียกว่าความเป็นทาตก็ได้ของอายตนะ พระพุทธเจ้าถึงให้พระราหุนเนี่ยพิจารณาอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็อารมณ์แล้วก็มากระทบอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายไปรู้อารมณ์ที่ใจอันนี้ก็ญาติภายในแล้วก็ผัสสะทั้งหกกระทบผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็กระทบอารมณ์ที่ใจเป็นผัสสะหกเหมือนกัน ถ้าไม่อาศัยวิญญาณหกเนี่ยขบวนการนี้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนคนตายเนี่ย น, นะด่ามันยังไงก็ไม่ได้ยินเอาะระฆังตีแค่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเห็นหเพราะมันปราศจากวิญญาณพระลาหุนบรรุธรรมเพราะสิ่งนี้อายาตนะวิปัสสนากรรมฐานนะอันนี้เรียกว่าอายาตนะบัพทีนี้บางคนก็แย้งว่าเมื่ออายาตนะบัตรมันเกี่ยวกับเรื่องกล้าング่ายโดนลวนเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหัวใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วมันมันทำไมมาอยู่ในหมวดธรรมานุสติปัฐานธรร ม, มานุสติประฐานา น, ะฐา น, นะเพราะมันสามารถเริ่มจากอาจนาะมันจะเข้าไปสู่จิตในจิตไปเสพธรรมในธรรมได้มันไม่ใช่ระดับสัมมาถากรรมาฐานนะแล้วพอเราอิสระปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่สูตรใดสูตรหนึ่ง อยายตนาภายนอกก็เสียงดังปังปังปงปปปั ง, ป ง, ป ง, ปงแล้วไม่ได้ฟังเพลงนะฟังเพลงผิดศีล น, นะเราเรียนรู้เรื่องเสียงกระทบหูนะอย า, น า, ายตนาภายในเราตาหูจะบุกลิ้นกายใจก็ทำงานวิญญาณหกก็ทำงานภัสสะก็ทำงานเราก็เห็นขันห้าถ้าเรารู้เท่าทันอยายตนานี่ขันห้าปรุงปิงปรุงแต่งไม่ได้ ถ้าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินกระทบปุ๊บดับรูปเกิดก็ดับอย่างเสียงเขาด่าเราเนี่ยมันเป็นรูปรูปของเสียงกระทบหูปุ๊บไอ้ตัวได้ยินเสียงนี่คือนามมันกระทบปุ๊บมันก็เกิดมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับเห็นไหมตัวสัญชาติมันเร็วมากสติเราไม่ทันพอรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดลงใจทันทีเลยอ่า เธอด่าฉันทําไมเห็นไหมสัญญาก็บันทึกไว้ว่ามันด่าเรามันไปกระทบมันไปช็อตมันสปาร์กกับไปสัญญาเดิมบอกว่าไม่ชอบถูกด่าอ่ะมันวีนขึ้นมาเลยสังขารเกิดมันคิดปรุงแต่งแล้วเธอด่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้ต้องด่าไปคืนภายในหนึ่งวินาทีนี่ขันห้าปรุงละวิญญาณนักสู้เกิดขึ้นเราเดินไปอยู่ดีๆหมามันเห่าเราโกรธมากไปเห่าตอบมันอ่ะเราก็เป็นหมาเหมือนมันไง ทุกคนรู้สมองรู้แต่จิตไม่รู้นี่แหละคําตอบว่าทําไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้เราคืนสู่ธรรมชาติเดิมเราถ้าพ่อครูเอาเนื้อก้อนหนึ่งไปไปซ่อนไว้ในห้องนี้นะสุนัขมันรู้เลยนะมีห้องนี้มีมีเนื้อประสาทดมกลิ่นมันดีไงเพราะจิตมันบริสุทธิ์กลิ่นมันก็ออกมาร้อยนั่นแหละแต่พวกเรารับได้แค่สิอร์ซไงไม่ต้องสงสัยว่าพระอหรหันต์ทำไมหูทิพตาทิพ ไม่ใช่สิ่งพิเศษนะมันรับได้เต็มๆไงแต่ตอนนี้จิตเรามันเปื้อนจิตเปื้อนนะมันรับไม่ได้เต็มลอยนะก็เลยกลายเป็นฟังถูกบ้างฟังถูกบ้างฟังผิดบ้างมองเห็นถูกบ้างผิดบ้างเพราะมองเห็นตามม่านบางตาไงนะชีวิตเราเป็นแบบนี้นะเราต้องเข้าใจนะ ที่พระองค์ตัดตัวผ้าลาหุ่นเนี่ยชัดเจนนะแล้วมันอยู่ในนี้หมดช่วงจิตอิสระแล้วอยู่ที่ว่าจิตเวลานั้นน่ะที่ว่าจิตเป็นทายกายเป็นบ่าวจิตเดิมเราเนี่ยไม่ใช่เขาจะทําเจริญสติอย่างเนี้ยฝูกชนยิไม่ใช่เขาจเจริญมากขจิตแล้วก็เขาดูว่าเวลานั้นร่างกายเราตรงไหนบกพร่องธาตุดินน้ําลมไฟเห็นไหมมันพิจารณาธาตุด้วยนะไม่ใช่พิจารณาแบบไปนั่งดูมัน เออไปนั่งกำหนดมันไม่ใช่นะเขาจัดการเลยเขาจะปรับสมดุลของธาตุสี่เพราะเขามีลมปานเขาเลือดลมมันก็วิ่งนในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นองรวมมันเป็นมรสมังคีนะก็ให้เข้าใจเนี่ยช่วงบ่ายนี่เราสร้างแรงเวียงเนี่ยแรงเวียงทำลายสนามแม่เหล็กเฮลิคอปเตอร์เราหมุนเบาๆมันห่อมไม่ได้พอเราเร่งเครื่องปุ๊บเนี่ย เมื่อแรงเบี่ยงมันมากกว่าแรงดึงดูดของโลกปุ๊บเนี่ยมันอุ้มเอาก้อนเหล็กก้อนนี้เนี่ยเป็นพันกิโลเนี่ยห่อขึ้นไปได้จิตเราก็เหมือนกันจริงๆแล้วหมวดอาณาปณะสตินี่ชัดมากแต่จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราทํามันไม่ใช่เรื่องอานาพระสติอย่างเดียวนะแต่อยู่ในนี้หมดไงที่เราสร้างแรงเหวี่ยงได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจมันดึงระหว่างหูกับใจเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นนั่นแหละคืออาณาปณะสติครบองค์ เราพุทธโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธสั้นก็รู้ยาวก็รู้นในพระไตรปิฎกพุโทโธก็ไม่มีมีเรื่องอาณาปณะสตินะแต่ลทัทธิพุโทโธนี่คือหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ใหญ่อีสานเราเนี่ยท่านตั้งทฤษฎีขึ้นมาเพื่อให้มันจําง่ายนะยุบหนอพองหน่อในพระไตรปิฎกก็ไม่มีอาจารย์อุบาคินเนี่ยก็เอาเรื่อง เ, อเขาเรียกว่าตัวเคลื่อนไหวของร่างกายนะอันียาบทบับ อะี่บทมันพองมันยุบเนี่ยมาตั้งชื่อยุบหนอพองหนอก็ไม่ใช่ผิดแต่ถ้าไม่ระวังนะเราก็ไปหลงติดชื่อนั้นกายว่ามันขังกลายว่าชื่อเรียกพุทธทรมันขังยุทธธรรมมันขังนะไปหลงติดกลายเป็นไสยศาสตร์มันก็ติดแป๊กอยู่นนแหะมันได้ความสงบชัว่วคู่ปัญญาไม่เกิดนะเราต้องรู้ว่าเทคนิคอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สร้างขึ้นมามันเป็นอุบายวิธีมันไม่ได้ผิด แต่ถ้าเราหลงมันเมื่ อ, อไหร่หลงอะไรก็คือผิดหมดหลงติด ก, ก็คือผิดโลภโกรธหลงก็คือผิดนะแต่ถ้าเราล้วนเป็นแค่อุบายแล้วก็ใช้อุบายนั้นเป็นเครื่องมือเหมือนอย่างนี้นะสมมติว่าฝั่งน้นเป็นเมืองนิพานอันนี้สมมตินิพานไม่ใช่แดนแบบนั้นเราต้องข้ามมหาสมุทรทะเลตอนนี้พืข้ามฝั่งไปนิพานเราต้องใช้เครื่องมือสามอย่างก็คือว่าเราต้องมีเรือ เรือนี้เปียบเสมือนศีนลเราต้องมีพายนี่เปรียบเสมือนสมาธิเราต้องมีเข็มทิศนี่เปียบเสมือนปัญญาถ้าไม่มีเข็มทิศมันจะไปทางไหนนะหลงทิศก็ได้เออบางทีผ้าทิศออกก็รู้อยู่บางทีรู้สายเกินไปแล้วเทาว่าเมฆหมอกมันคลุมนะไม่รู้หลงไปทางไหนก็ต้องเดี้ยวกลับมาอีกนะเราต้องมีเข็มทิแล้วก็ใช้เครื่องมือข้ามฝั่งแต่ถามว่าเมื่อถึงฝั่งแล้วเราจะเบื่อแบกเรือขึ้นไปด้วยไหม ต้องวางเครื่องมือนั้นแต่ตอนนี้วางไหมไม่วางเอาอุบายวิธีที่เป็นเครื่องมือมาสร้างเป็นแบรนด์เนมมาตั้งเป็นยี่ห้อเป็นแกง๊งเป็นกวนเป็นลทัทธิเป็นนิกายของฉันดีกว่าของเธอพราะครูไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแต่พ่อครูไม่เคยไปขัดแยง้งแต่ถ้าใครมาที่นี่พ่อครูมีหน้าชี้แจงว่าเราทําอะไรเพราะเราไปเรียนรู้วิชานั้นวิชานี้นะบางคนก็ไปกอดศีลอยู่นั่นแหละมีมีสายที่เขาเข้งศีลมากนะ พ่อครูไปทําบุญกับเขาทุกแห่งล่ะตามมาที่นี่เกือบยี่สบคันรถตั้งแต่ยังไม่มีศูนย์เข้าไปในไล่แหลมทองมีทุกศินเลยสินห้าสินแปดสินสิบสินปฏิโมกมาหมดนะผ้าจา์ท่านหนึ่งก็ถามว่าพ่อครูยึดหลักอะไรพ่อครูบอกพ่อครูไม่ยึดมั่นถือมัน่นท่านก็บอกว่าพ่อครูไม่ยึดมั่นถือมั่นพ่อครูขึ้นต้นไม้พ่อครูก็ตกลงมาท่านแน่ใจมากนะ ว่าท่านพูดถูกเพราะครูเกิดมาไม่เคยได้ยินแบบนี้พราะครูกว่าหลวงพี่ก็กอดอยู่ตรงนั้นแหละอย่าปล่อยนะกอดอยู่ตรงนั้นมันไม่ตกแต่มันขึ้นต่อไปไม่ได้ น, ะนั่นคือยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือหลงศีลเรายึดศีลเป็นปแนวทางเดินอย่างมีสติไม่ใช่เป็นหลงศีลและคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคนอื่นชั่วหมดและไปทะเลาะ บ, บ่แวงกันระวัง บางคนไปเน้นศีลบางคนไปเน้นสมาธิบางคนไปเน้นปัญญามันไม่ครบองค์ศีลเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีกำลังนะเป็นะที่ยึดเหนี่ยวนะเป็นตัวเตือนสติแต่ถ้าไปหลงศีลเมื่อไหร่ไปติดดีเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งนะต้องเข้าใจแต่ดีที่สุด หดปล่อยจิตเราให้เขาไปเรียนลูกอาจารย์เราเองอยู่ข้างในอาจารย์เราคือจิตเดิมเราเนินพระพุทธเจ้าถึงเตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ข้างนอกอย่าพึ่งเชื่อนะบะงังเอิญเราเชื่อเราสต้าพูดอะไรกูฟังหมดกูเชื่อหมดองค์คุริมาน ก, ก็ถูกอาจารย์หลอกไงหลอกไปฆ่าคนหนึ่งพันคนไงนะอย่าพึ่งเชื่อแต่อย่าพึ่งปฏิเสธฟังหูไว้หูนะ ผู้เจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโธว่ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตัตอนนี้เราไม่พึ่งตนเองเราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราพึ่งพระเจ้าเราพึ่งคนที่เราศรัทธานะเหมือนเด็กๆอะพึ่งพ่อแม่บ้างเกาะพ่อแม่บ้างแต่ถ้ายึดพ่อแม่เกิดมีอะไรแปลกๆมานี่วิ่งไปหาพ่อแม่กอดพ่อแม่ไว้ ก, ก็ปลอดภยัยเพราะเรายังเด็กอยู่แต่ถ้าเรากอดพ่อแม่ยนเราไม่ยอมปล่อยเราก็ไม่มีวันเข้มแข็ง เราจะไม่มีวันพึ่งตนเองได้นะปฏิบัติเรียนรู้กับจิตเดิมเราจําไว้จิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าเราจิตจริงๆเลยเนี่ยเขาจะไม่มีเหตุผลจะทำร้ายร่างกายนี้เขาต้องพึ่งร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเดินทางไกลนอกจากว่าจิตเราเนี่ยมันมีอามิตรมันไปหลงประเด็นไม่ต้องโทษคนอื่นนันก็เป็นกรรมไง ถ้าเราทำเพื่อความอยากเมื่อไรเนี่ยเราจะไปหลงสภาวะนั้นนะจิตเดิมเขามีหน้าที่สร้างนิมิตก็ดีสร้างอารมณ์ก็ดีมาประเมินจิตปัจจุบันนะไม่ต้องประเมินครูกับครูบาอาจารย์หรอกที่เราทำอยู่ประเมินกับอาจารย์เราข้างในนะนะหลายคนโดนประเมินนะมานั่งที่นี่โอ้ยหมุนไปหมุนมาน้ำตาไหลเพราะคูแอบไปดูเป็นไงเฮ้ยมันไม่เศร้านี่ว่ามันปิติยิ้มอยู่นั่นแหละ ยิ้มอยู่นั่นแหละบอกหมดเวลาแล้วไม่ยอมหยุดทําไมรู้ไหมกลัวพระพุทธเจ้าหายไปเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาไงอุย้ยเราเห็นธรรมแล้วพ ร, พ, ร พ, รพระครูบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแสดงว่าเราเห็นธรรมแล้วเราเห็นตถาคตแล้วออกมายังกราบพระครูยังร้องไห้ไม่หยุดนะอ้ยพูดไปชซ่สันไปด้วยนะหนูเห็นพระพุทธเจ้า บอกเห็นแบบไหนชี้มาทางพระพุทธรูปเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นแบบพระพุทธรูปถามว่าเคยเห็นพระเจ้าชายศิทศหาไหมโดนตีหัวอีกแล้วคือจิตเดิมเขารู้ว่าจิตปัจจุบันนี่ชอบอะไรกลัวอะไรเขาจะสร้างนิมิตต่างๆนี่ยมาประเมินนะ่ะคุณกล้าวเวียงทิ้งหมเรื่องอะไรจะเวียงพระพุทธเจ้าทิ้งหามาตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งเจอบอกเวียงทิ้ง ไม่ใช่พระครูพูดนะใ น, น, ในพระไตรปิฎกนี่ผู้เจ้าตัดไว้เองว่าระหว่างทางเดินไปเจอผู้ดเจ้าฆ่าพระองค์ทิ้งซะเพราะพระองค์ไม่ลงมาเล่นขายขนมคร ก, กับเราหรอกอุ้ยเห็นจริงๆเห็นจริงๆเห็นนรกจริงๆเนี่ยฉันนั่งกรรมฐ า, านลงไปเลยเอาคนมาต้มมาขึ้นต้นงิว้วอู้ยเห็นหมดเห็นหมดเราเห็นจริงให้ แต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงจิตมันเป็นทิฟต์เนี่ยจะเอาใครไปต้มเหรอจะเอาใครไปขึ้นต้นยิ้วเหรอแต่เขาสร้างจินตนาการเขาวาดภาพออกมาเนี่ยทำให้เราสัมผัสอารมณ์นั้นว่าทุกเหมือนถูกต้มทุกเหมือนขึ้นต้นยิ้วเทวดาของคนไทยเราก็เทวดาฝราัง่งเขาวาดออกมาก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเหมือนกันเนี่ยเรารู้สึกว่าคนพวกนี้มันทุกข์มันสุขมาก ต้องวาดอยู่บนฟ้าเบาๆลอยๆใช่ไหมนรกต้องฟาว่าอยู่ใต้ดินไม่มีอากาศหายใจแบบนี้นะเขาสะท้อนเราเห็นถึงความสุขของมันนะเห็นความทุกข์ของสิ่งนั้นนะคำว่าทำในธรรมเนี่ยคือธรรมลมนะมันไม่ใช่แดนแบบนั้นมันไม่ใช่อัตตานิยมแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังนะทุกคนติดหมดแหะเพราะจิตปัจจุบันมีเกลียดอยู่แล้วพอไปเจอไอ้วิเศษ เออเจอพระพุทธเจ้าเจอเทพเทวดาที่วิเศษวิโสหูทิพตาทิพกาสามว่าเก้าเหวี่ยงทิ้งไหมเรื่องอะไรจะเหวี่ยงหามาเกือบตายแสดงว่าเรายังมีความอยากอยู่เราจะไปนิพพานด้วยความอยากมันไปไม่ได้เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะวีซ่าไม่ผ่านอยู่แล้วนั่นแหละให้จำไว้ยิ่งเข้าไปในจิตเนี่ยอยากเข้าจิตอยากเข้าจิตพอเข้าไปแล้วบอกเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งก็ไม่ยอมเหวี่ยงอีก ผู้เจ้าถึงเตือนว่าบำพชิตไม่เสียส่วนสุดโต่งสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในระหว่างของคู่ระหว่างสุขกับทุกข์ระหว่างดีกับชั่วทีนี้ในแง่ในแง่วิบทำกรร ม, มาฐานเนี่ยมันระหว่างกายกับจิตยอยู่ข้างนอกเราก็สุดโต่งใช้ร่างกายบัรยบัญญัตเพราะอยากสร้างวัตถุขี้ตลอดส่งออกตลอดเห็นไหมจิตส่งออกก็คือส่วนสมูทย เห็นตัวตันหาทั้งนั้นแหละผลของการส่งออกทุกเแน่เราก็สุดโต่งไงยืนอยู่ก็ไม่เห็นตัวเองยืนอยู่โ น, น่นคิดไปโ น, น่นคิดไปถึงอานาคตนึกไปถึงอดีตโน่นเห็นไม้มเราสุดโตงพอเข้าไปในจิตอุยสบายสบายไม่มีใครรบกวนฉันเลยก็ไปสุดโต่งข้างในไปหลงอารมณ์ข้างในอีกเนี่ยเราเราไม่เป็นกลางทีนี้ไอมหาสติปัฏฐานเนี่ย มันเป็นเครื่องมือทำให้เราบูรณาการระหว่างกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเวทนาก็อยู่ในฐานกายนะเวทนาอยู่ในส่วนของกายอยู่ในใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องของอยายตนะเป็นเรื่องของส่วนของกายแต่ว่าถ้าพูดถึงอยายตนะบับเนี่ยมันเป็นส่วนของธรรมานุสติปฐานเน่เพราะว่ามันพัฒนาไปสู่มหาสติปฐานได้มันรวมทั้งองค์ทั้งหมดเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวไอ้ตัวนี้นะ่บูรณาการให้จิตเราเนี่ยไม่สุดตรงข้างนอกกับข้างในมันเป็นมหาสติปัฏฐานไอ้ตัวนี้เราสามารถแล้วลึกรู้อดีตเอาอดีตบา ร, รมีมาต่อยอดได้แต่ตอนนี้เราจเจริญแค่อนุสติไปแยกส่วนอยู่ฐานกายไปเพ่งน่่นเพ่งนี่ไปเมืองไทยลำดับได้แค่นี้หนึ่งเริ่มจากพุทโธก่อนพุทโธคืออารมหายใจไม่ลมหายใจไม่เกี่ยวกับกายด้วยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอายตนะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันมันเป็นพลังชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดเราที่สุดนะเขาเอาตัวนั้นน่ะนะเพื่อเอามาลิงก์กับไปไปข้างในนะี่เป็นอาณาปณะสตะิบางคนก็เอาอริยบทของร่างกายยุบหนอพองหนอขวา้านเอาอริยบทของร่างกายเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งไปเพ่งดูเอาฐานกายทีนี้ฐานกายแล้วบางคนก็ ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง เ, เรียกว่ากายยคตาสติมันมีกายในกายตอนนี้เข้าไปในกายไปเพ่งดูตับไตไส้พุงมันไม่เห็นจริงๆหรอกคือจินตนาการเอาวอะเออฉีกหนังออกมาแล้วเนี่ยมีแต่เลือดมีแต่หนองมีแต่อะไรอะไหนึ่งให้มันเกิดจินตนาการมันก็เกิดสังเวชไอ้สังเวชนั้นคือเวทนาบางคนยืนอาเจียนออกมาเลยนะเกิดเวทนามากอุ้ยมันไม่ได้สวยงามจริงๆ เนาะไปผ่าตัดไปทาแป้งโปกความชี้เหล่เราไปกบเกินอันนี้มูสานะไปหลอกเขาเนี่ยโกหกนะผิดศีล น, นะเราไม่สวยแต่เราไปแต่งให้สวยไปหลอกผู้ชายให้เขาชอบเราเนี่ยอันนี้มูสาเราต้องทุกข์แน่แน่สักวันนึงเรากบเกินไม่อยู่เดี๋ยวนังมันก็เหี่ยวเนี่ยคนผิดศีลต้องทุกข์แน่แนอันนี้เขาเพ่งอสุภาเพื่ออะไรบางคนเอาสุภาภายนอกก็เป็นเพ่งดูซากศพอ่าทาโน้นท่านี้ท่านี้นี่นี่ นะเขาเรียกว่าอสุภะสิบท่านยกตัวอย่างแค่สิบท่าจริงๆแล้วมันมีร้อยๆ้อยพันพันท่าแสนท่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างบางตอนนะอันนี้ไปเพ่งอสุภะทำให้มันเกิดสังเวทนี่คือเกิดเวทนาเห็นหเอาเวทนาตอนนั้นบางคนไปนั่งทับตัวเองวันหนึ่งสิบยี่ชั่วโมงทรมานสังขารให้มันเกิดเวทนาแล้วก็พิจารณาเวทนาในเวทนามันเป็นขั้นตอนนะ บางคนอุ้ยฉันสูงขึ้นมาอีกนะฉันดูจิตนะไปเพ่งจิตนะดูจิตดูจิตดูจิตบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตก็ไปนั่งดูมันดูมันดูมันถ้าละเอียดหน่อยก็เห็นเงาของจิตเห็นเงาของบ้านเห็นอารมณ์หยาบๆข้างนอกเป็นแค่เวทนานะไม่ใช่ธรรมในธรรมนะพอไปส่องหน้าต่างดูข้างในมันยังเปื้อนอยู่เหมือนเก่าไงเห็นไหมคําว่าจิตในจิตนี่ไม่ใช่ไปนั่งดูจิตเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิต ไปเสพทมในทมถ้าเราไม่เข้าไปในบ้านเราไม่รู้อารมณ์ข้างในเป็นยังไงมันร้อนมันเย็นยังไงมันเปื่อนแค่ไหนนั่นแหละแล้วก็ไปขัดเกลจิตให้ผ่องใสซะมหาสติปฐานจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากกายในกายกายในกายคืออะไรหูนี่ก็กายนะใจนี่ก็กายนะได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจกายนอกดึงไปรู้กายในเห็นไหม นี่คือกายในกายนี่คือกายในกายแล้วสร้างแรงเหวี่ยงขึ้นเมื่อมันหลุดจากกายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในจิตเลยเข้าไปสู่จิตในจิตมันก็เสพธรรมในธรรมไอ้ที่เราไล่ลำต่างๆไม่ใช่สมองสั่งอันนี้ียกว่าอินไซน์เอานะข้างในตอนบ่ายเราเหวี่ยงพุ๊บเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้เนี่ยข้างในสั่งข้างนอกไม่ใช่เรากําหนดขวาหนอซ้ายหนอไม่มีการกระทําเกิดขึ้นอันนี้แหละคือธรรมในธรรม ส่งออกมาถึงกายข้างนอกเคลื่อนไหวกายเวทนาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนี่คือมหาสติปัฏฐานไอ้ตัวนี้ลหละจะฝึกให้จิตเราเนี่ยเป็นกลางไม่สุดตรงข้างนอกกับข้างในแต่ถ้าคนศึกษาพื้นพื้ น, นแล้วเอาความเคยชินตัวเองนี่มาตั้งโปรแกรมเนี่ยเราจะพลาดโอกาสสร้างทิฏฐิมานาให้กับตัวเองนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วเบื่อเอินว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะไงนะ ไม่ต้องไปเรียนอนุบาลจนถึงปริยาตีโทเอกนัน่สิบสาปีนะไปฝึกจิตฝึกสมาธิส4 5สี่ห้าิปีก็ไม่ไปไหนไงเราฝึกสมาธิเราก็อยู่สมาธิเราฝึกสติเราก็อยู่สติเราเกาะสินเราก็อยู่สินนั่นแหละปัญญาเกิดแค่ว่าคิดเก่งกว่าคนอื่นอ่านมากกว่าคนอื่นนะ เขาเรียกว่าข้อมูลมากกว่าคนอื่นมันไม่ใช่ตัวปัญญาที่แท้จริงปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็วางได้จริงๆวางได้จริงๆนะทั้งหมดพ่อครูพูดเนี่ยความจริงที่ไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยคือความจริงที่เกิดขึ้นกับเราเองนะธรรมชาติเขาจัดส่งพระครูมา4ีปีไปลุยเละเลย วิ่งไปตามโลกรู้โลกอย่างแจมแจ้งก่อนความรวยมันเป็นยังไงความสุขจริงๆมันมีกี่แขนกี่ขานะพรอคูลุยเละเลยสุดท้ายก็หาความสุขที่แท้จริงไม่เจอนะแล้วก็ไอ้บุญเก่านั่นแหละเออมันบอกพอแล้ว40ปีปล่อยให้หลงทางไปสุดๆดแล้วเนี่ยนะเขาตัดคอพ่อคูเลยสามช่วงนั้นตีกลับมาอยู่ตรงนี้27ปี พ่อครูไม่ได้ลืมนะสมองซีกซ้ายเนี่ยมันยังจำได้อยู่เคยสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่ซองมือไม่หมดปากไม่หมดนะบางทีสูบ ส, บ ส, บสบเพลินจนมันไฟมันลวกปากกันนะกินเหล้าโกหกเที่ยวเตะตามภาษาคนหนุ่มนะพ่อครูจำได้อาหารจานโปรดน่คือทีบงสเต็กนะทีบงสเต็กมันมีกระดูกด้วยอะไรเนี่ย อาหารจานโปรดเพราะคูจำได้แต่พ่อครูจํารสชาติมันไม่ได้จําความรู้สึกนั้นไม่ได้ถ้าไปนั่งคิดเราจะงงนะเอะสมัยก่อนเราทำอย่างนั้นได้ยังไงแต่ถ้าสมัยก่อนเราคิดว่าบ้านปลายจะมาทำมาเป็นอย่างนี้มันก็คิดไม่ออกอีกเหมือนกันบังเอิญมันโชคดีมากมันไม่ต้องคิดไงถ้ามันคิดมันจะงงแต่เล่าให้ฟังพราะกูจาได้หมดทาอะไรหมดแต่พ่อครู จำอารมณ์นั้นไม่ยากจำรสชาติมันไม่ได้เมื่อมันมีอารมณ์เหล่านีนน้ไม่มีอารมณ์เหล่านั้นแล้วทําไมเราต้องไปเสพอีกล่ ะ, ะทําไมต้องไปทําอีกล่ะยิงนกตกปลาทำมาหมดนะแล้วตอนนี้ทําไมมันหยุดอ่ะมันถือศีลเหรอไม่ศีลมันหนักเวี่ยงทิ้งหมดแล้วนะ ยีปีก็ไม่ต้องถือศีลแต่ไม่ทําชั่วแน่นอนมันไม่มีเหตุต้องทําชั่วไงมันไม่มีความอยากแล้วอั น, นี้ยังอยากอยู่ไปสแสวงหาวิชานั้นวิชานี้นะเพื่อจะเอาไปแปลรูปเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้รู้นั้นยังอยากอ ย, กอยู่นะนะนั่นแหละมันเป็นอย่างไรฮั่นเป็นอย่างนั้นได้ไหมดอกกุหลาบมันก็สวยอย่างของมันไงสักพักหนึ่งก็เหี่ยวแห้งของมันไง มันไม่เคยเห็นต้องเอาไปผ่าตัดไงต้องไปดึงหนังเลยนะมันไม่มากเรื่องเหมือนคนนะเห็นมเนี่ยพวกคุณบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นน่ะซึ่งแสวงหาความหมายถ้าเรายอมรับในสิ่งที่มันเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องทุกข์เลยนะทุกวันนี้ที่ทุกข์เนี่ยเราไม่ยอมรับสิ่งที่เราเป็นเราไม่พอใจเพียงแค่มีในหลวงยิ่งใหญ่มากพระองค์งแสดงเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ สิ่งที่พระ อ, องค์แสดงเป็นชีวิตพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวตอนนี้รวยล้นฟ้าแลไวมันก็ยังไม่พอนะคนที่รวยที่สุดในโลกก็ยังไม่พอไงเศรษฐกิจมันพอได้ยังไงพระ อ, องค์แสดงน่ะคือชีวิตพอเพียงพอใจเพียงแค่มีแต่ไม่ได้บอกไปว่าพอแล้วนะผู้ที่เจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจสอนให้เรามีวิริยะมีความขยันนะก็ทาหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง แต่ขยันขันแข็งขันขันแข็งก็เพียงพอนะแค่ขยันขันแข็งก็เพียงพอดิ้นลนขวันขวายมากไปอยู่เย็นเป็นสุขก็เพียงพอมั่งมีสีสุขมันมากไปมันไม่พอดีมันจึงทุกข์ไงสวยแค่นี้ก็พอแล้วเอาลองไปดูกระจกจิใครก็ช่างนะเราหน้าตาดีกว่าหมาขี่เลือนอยู่แล้วหมาขี่เลือนไม่เห็นมันอายเลยนะเห็นไหมล่ะ ทุกคนมีความน่ารักในตัวเองอยู่แล้วสำคัญว่าข้างนอกงามไม่งามเนี่ยเราอะไรมาดูเราอะไรมาตัดสินเกือบ20ปีก่อนนะพวกครูเห็นโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาเอาผู้นำของพวกเผ่าแมวเนี่ยมาสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเาก็ถามว่าทำไมผู้หญิงแมวเนี่ยต้องคอยยาวๆ เขาก็เล่าให้ฟังนะที่แรกเขาอยู่ดีๆของเขาพอมันเจริญมันตัดถนนหนทางเขาไปแล้วคนเมืองก็ไปปุ๊บเ่ยก็หลอกลูกสาวเขาไปไงเขามีเอาเข า, เขามีภูมิปัญญาเขาจะรักษาเผ่าพันธุ์เขาเขาก็เลยใส่ใส่ใส่ใส่ใ ส, ส, ส, ส่ยาวขึ้นเป็นสัญลักษณ์จากนั้นมาไม่มีใครไปขโมยลูกสาวเขาเลยมึงลองเอาไปสิ ตำรวจเขาก็รู้เลยว่าเป็นชาวแมวนี่คือภูมิปัญญาทำไปทำมาเขาบอกอุย้ยลูกสาวเขาสวยมากคอคอเหมือนคอหงส์เลยเห็นไมถ้าเอาเกระเลียงเขามองพวกเราพวกนี้พวกมนุษย์นี่ขี้เหร่มากเลยคอสั้นๆเราปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเราไปสร้างความหมายขึ้นมาทั้งหมดคือเราหาเรื่องเอง นะก็วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้เรานะเป็นธรรมะเป็นเป็นอะไรล่ะความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการถ้าพุพค์ตัดสูแต่ลุกแค่นี้เองนะ่ะตัดสูแค่นี้สี่อย่างนี้แต่อย่างอื่นนี่มันแตกแขนงออกไปเป็นธรรมะย่อยเท่านั้นเองอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมา ทุกต้องรู้รู้ว่าเราทุกและยอมรับว่าเรามีทุกเป็นประธานบางคนไม่ยอมรับนะ่ยทุกอะไรกันนักหนาะน้องชายพ่อครูเองเนี่ยเขาเป็นห่วงพ่อครูไงเป็นบ้ามาจากอเมริกาอยู่ดีๆมาอยู่ในป่าตอนนั้นมาไม่มีไฟฟ้าด้วยไม่ได้หนีมาจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกนะไม่มีบ้านมาอยู่ป่าสิบเปีไม่มีไฟฟ้า เขามากระตุ้นเตือนสติพ่อครูเขากลัวพ่อครูเป็นบ้าและเอาหลานเขาสองคนมาด้วยเขาบอกไหนๆก็เกิดมาเห็นไหยแล้วทำไมต้องมาทุกข์ขนาดนี้เราก็มีเงินไงทำไมไม่รู้ไปเสพสุขเขามาสอนพ่อครูนะเขาบอกพ่อครูเอาหลานเขาเนี่ยมามาทุกข์ที่นี่ไง ไม่รู้ใครทุกข์กันแน่เนาะทั้งหมดคือเขาเข้าใจความสุขผิดเข้าใจไหมเขาบอกไหนๆมันจะตายแล้วทําไมจะต้องมาทุกข์ทรมานอย่างนี้นะก็เสีสุขสิพ่อคูพ่อคูเสีสุขทุกวันนะสุขทุกวันเลยไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีพระกูจะทุกข์แต่ความสุขเขาหมายถึงต้องสะดวกสบายสมัยก่อนเรานั่งเครื่องบินไปประเทศนี้ประเทศนี้เนี่ยนั่งเฟิร์สคลาสตลอดไอ้ไอ้หมอนี่ เราต้องไม่ตกรุ่นนะเนี่ยมันมันมันมันไต่เต้าบันไดงไงคือมันรุ่นสูงแล้วไงรุ่นต่ําไม่ได้ถ้าต่ําลงมาทุกมากนะพราะครูพาลูกสองคนเนี่ยจากเมืองนอกมาอยู่ป่ามาอยู่ขั้นต่ําสุดถ้าเขาอยู่ขั้นต่ําสุดได้ต่อไปลมพัดลมเพพัดให้เขาไปอยู่สูงหน่อยหนึ่งเขาก็ไม่ทุกแต่ถ้าอยู่สูงน่ยมันตกลงมาเน่ยมันฆ่าตัวตาย สูงสุดคืนสู่สามัญ น, นาฬิกาสูงสุดไม่ใช่เลข12สูงสุดคือเลขหจากเลข6ถึงเลข12แค่30นาทีจากเลขหมาถึงเลข6กนี่หกนาทีเนี่ยนักวิชาการรู้แค่ครึ่งเดียวปริญญาเอกดอกเตอร์ศาสตราจารย์รู้แค่ครึ่งเดียวรู้เรื่องวิชาการเท่านั้นเองแต่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมมันถึงทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมือง นะพวกเราก็ถือว่าบุญเยอะมากนะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุเิศแล้วได้มาพบกับคำสอนที่ยิ่งใหญ่สำหรับพ่อครูแล้วเนี่ยพ่อครูเลิกนับถือพระเจ้าตั้งแต่วินาทีมันระเบิดเพราะคำว่านับถือมันหยาไปบูชาถวายชีวิตพงค์ทั้งครอบครัวแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้27ปีไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีที่มันจะรั่วเพราะมันไม่เคยคิดเลย นะอันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองเล่าให้ฟังไอ้คนที่หลงระเริงเป็นอุดมการณลัทธินั้นลัทธินี้สแสวงหาโน่นสแสวงหาหยุดสแสวงหาเถอะมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งธรรมชาติมันไม่มีความหมายอะไรแต่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็อ้างโน่นอ้างนี่แล้วสุดท้ายเราจะเสียเวลาเปล่านะมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเมื่อกี้นี้พระอาจารย์ท่านเตือนว่ามุ่งมั่นปฏิบัตินะมีฉันทะกับสิ่งที่เราทํามีศรัทธามีวิริยะ แล้วก็อย่าลืมเครื่องมืออย่างหนึ่งก็คือขันตินะเพราะทางเส้นนี้เนี่ยมันไม่ได้โดยด้วยดอกกุหลาบบางคนนี่ลื่นไหลเลยนะเพราะกรรมเขาไม่ค่อยเยอะบางคนต้องขูกขะหน่อยอย่าท้อถอยอย่าอย่าค้ากําไรเกินควรอย่าหนีนี่จ่ายมันนะมีขันติอย่าขันแตกก่อนนะบางคนไม่ใช่ขันแตกนะโองแตกเลยนะชาตินี้กูไม่มาแล้วนะ ก็ไม่เป็นไรนะมันแล้วแต่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะก็ช่วงต่อไปก็นิมนต์พระอาจารย์สมเนียนยังอยู่ที่เก่านะแล้วก็เอาแผนกจัดเก้าอี้น ะ, ะแผนกจัดเก้าอี้ผู้ชายผู้ชายลุกขึ้นทุกคนเอาเก้าอี้ตรงนี้มาเรียงตรงนี้ข้างละห้าสองข้าง1ิบเป็นสามแถวเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกัน